เรียนสุกท่านสาวทุชนผู้มีความสนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายจักนี้รายการไขปัญหาธรรมะได้มีโอกาสหมุนเวียนเรียนมาบรรจบพบกับท่านอีกว่าละหนึ่งการไขปัญหาในวันนี้ก็จะไขในทรรนองของการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นปัญหาปฏิบัติซึ่งยังตอกค้างอยู่แล้วก็เป็นปัญหาที่ ท่านสาธุชนกำลังสนใจแล้วก็อยาการู้ด้วยในในช่วงนี้ถึงกับมีโยมแก่คนหนึ่งมาจากต่างจังหวัดคือมาเขียนปัญหาถามพระเดชกุลหลวงพ่อพระเทศจิตที่มนีพระอาจารย์ใหญ่วายวิปัสนาธุระให้ตอบด้วยเพราะว่ามีผู้ที่ยังสงสัยมากปัญหาเรื่องทองยุค และก็ปัญหาเรื่องปฏิบัติที่ว่าพองยุคเนี่ยเป็นสมถะหรือว่าเป็นวิปัสนาก็เป็นปัญหาที่ท่านสาธุชนนะักปฏิบัติกรรมฐานมีความสงสัยอยากจะรู้ว่าพองหนอยุคหนอเนี่ยเป็นสมถะหรือว่าเป็นวิปัสนาสมถะดีอย่างไรวิปัสนาดีอย่างไรสมถะควรเจริญไหมวิปัสนา ควรเจริญไหมหรือว่าควรเจริญมิปัสสนาอย่างเดียวสาารรมะไม่ควรเจริญอย่างนี้เป็นปัญหาที่ท่านสาวิชนกู้ไขต่อธรรมะปฏิบัติก็อยากจะรู้อยากจะทราบจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทศิธิมณีพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายมิปัสสนาธุระวันนี้อาตมาพาไปจะได้หยิบยกปัญหาของโยมซึ่งมาจากจังหวัดอยุธยา มาถึงคณะห้ามาค้างถึงสามคือแต่ก็ได้เขียนปัญหาไว้ท่านสาวทุชนทั้งหลายปัญหานี้ก็จะอาศัยสติปัญญาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ตอบขอท่านสาวทุชนทั้งหลายจงพยายามตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่การฟังและก็เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว กาพคผมก็จะหยิบยกปัญหาของโยมท่านหนึ่งที่มาจากต่างจังหวัดมาถามถึงสี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งว่าพองยกขาวว่าไม่ใช่วิปัสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้เขียมาอย่างนี้เท่านี้แหละครับพระเดชะคุณครับเป็นหรือไม่เป็นก็ขออธินาเลยครับ พองยุบไม่ใช่วิปัสสนานะครับผมเอ้ก็ถูกเหมือนกันนะไม่ใช่วิปัสสนาสิพองยุบกต็ตอบไปง่ายนะอารยานโยมปัญหามีคําว่าพองยุบไม่ใช่วิปัสสนาเตามาหาข้อเท็จจริงกันก่อนคำว่าพองยุบนี่ไม่ใช่วิปัสสนาถูกต้องเหลือเกินไม่ผิดเลยนะฮะแล้วทำไมครัว ง, ง่ายเพราะว่าโยมที่พูดเขาเขามีท้องพองยุบหรือเปล่ามีใช่ไหมครับผมโยมที่มาถามนี่ท้องเขาก็มี แลเขาหายใจเข้าไปมันก็พองขาเขาออกมันก็ยกอยู่แล้วนะเราะฉะนั้นอย่าวาดติยมเลยถ้ามันควายมันก่อนหายใจเข้าออกเหมือนกันใช่ไหมเหมือนเหมือนสุนัักมันหายใจหรือเปล่าก็หายใจมันก็มีท้องนูนท้องแฟรเหมือนกันใช่ไหมก็ท้องแฟรเหมือนกันที่เขาพูดมันถูกอยู่ล็อกไม่ผิดดอกเพราะฉะนั้นก็ฟังให้ดีเพราะว่าพองยุบไม่ใช่วิปัสนาผมก็คิดได้แหละมือพราะคนเจ้าถามใช่มันไม่ใช่วิปัสนาเขาพูดผูกนานะ พรทองพองยุคไม่ใช่วิปัสนาทีนี้นเราต้องหาคําว่าวิปัสนาซะก่อนวิแปลว่าแจ้งปัสนาแปลว่าเห็นเป็นชื่อของปัญญาเห็นอะไรฮะมันต้องว่าอย่างนั้นที่จริงจะเป็นวิปัสนานะอันพองยุคไม่ใช่วิปัสนาร้อยเปรเซ็นต์นะไม่ใช่วิปัสนาแน่อันนี้เขาพูดถูกรูกอโยมที่พูดเนี่ยแล้วเราก็ไม่เถียงแล้วพองยุบไม่ใช่วิปัสนาอันนี้มันเป็นสํานวนโวหารตามหลักภาษาไทย แล้พองยุบกันแล้วมันก็เป็นพองเป็นยุบไปเละถ้ามันจึงพองพอลมมันหายใจเข้ามันก็โน่นหายใจออกมันก็แพรบเราก็เลยมาหวัดพองยุบอันนี้ไม่ใช่วิปัสนาแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ของวิปัสนาได้ฮะทีนี้วิปัสนาวิปลว่าแจ้งปัสนาปลว่าเห็นเห็นอะไรจึงเป็นวิปัสนาหนึ่งเห็นปัจจุบันสองเห็นรูปเห็นนามสามเห็นผัไตัยรัก สีเห็นมรรคนิพพานอันนี้ตอบย่อๆถ้าตอบอย่างกลางๆวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นอะไรเห็นวิสุทธิคือความบริสุทธิเจ็ดขั้นถ้าตอบพิสดารที่สุดไม่เหลือเลยวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นอะไรเห็นวิปัสนาญาณสิบหกขั้นหรือเห็นปัญญาสิบหกขั้นแล้วพองยกนี่มันเห็นเลยอย่างอย่างแต่เห็นเมื่อก็สําเร็จก็หมดแล้วเออ หัวควายเขาก็มีพองมียุบอยู่แล้วถ้าเห็นได้แค่นี้มันก็ได้กันทั่วบ้านเธอเมืองคนเด็กคลอดออกมาใหม่ก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพองยุบไม่ใช่วิปัสนาเพราะเหตุไรจึงไม่ใช่เพราะยังไม่ได้ลงมือกาหนดแต่พองยุบนั้นเป็นอารมณ์ของวิปัสนาได้เป็นอารมณ์ของวิปัสนาได้คําว่าพองยุบเฉยๆยังไม่ใช่วิปัสนา เป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่ประจำตัวของมนุษย์แต่ละคนแต่ละคนไม่เลือกจะเป็นใครก็ตามมีทุกคนแต่จึงไม่ใช่วิปัสนาแต่จะเป็นวิปัสนาได้ไหมเป็นไม่ได้แต่ว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสนาได้คือวิปัสนาต้องยึดอารมณ์มายึดตาพองยุบมาเป็นอารมณ์ได้เพื่อให้เกิดปัญญาแต่ไม่ใช่วิปัสนา แต่สามารถจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดวิปัสนาได้โดยวิปัสนายึดท้องพองท้องยุบเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นที่ปัญหาที่ถามนี่ถามอย่างนี้ก็ตอบอย่างนี้ก่อนทีนี้เมื่อจะให้เป็นวิปัสนาทําอย่างไรทีเนี้ยจะให้เป็นวิปัสนาต้องลงมือกําหนดกําหนดอะไรกําหนดท้องพองท้อ ง, องยุบนั้นแหละเมื่อลงมือกําหนดจึงจะเกิดปัญญาได้ เมื่อเกิดปัญญาแล้วจึงจะเป็นวิปัสนาได้แล้วจะกําหนดอย่างไรกําหนดตรงไหนเมื่อกําหนดแล้วจะเกิดได้อย่างไรให้ชี้มาให้ดูให้ละเอียดปัญหาจะต้องถามซอกถามซ้อนเขาไปอย่างนั้นจึงจะได้ความคราบเมื่อเขาถามมายมาๆ อ, อย่างนี้โดยเราไม่ได้ซักไม่ได้อะไรต่างๆตังๆต้งมาแคบๆหรือตั้งมาค่งๆเราก็ต้องอธิบายให้เพิ่มเติมต่อไปอีกปัญหาข้อแรกถามว่า พองยุบไม่ใช่วิปัสนาว่าไงนะอาเขาว่าพองยุบไม่ใช่วิปัสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ครับอาถูกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนจริงจริงอันนี้ถูกนะถ้าปัญหานี่แต่อบพอพองยุบเป็นวิปัสนาและศูนย์เลยพอพระพุทธเจ้าได้สอนอย่างนี้ก็ศูนย์เลยพิษเลยต้องตอบว่าพองยุบไม่ใช่วิปัสนาถูกคะแนนเต็มสิบได้สิบเพราะพุทธเจ้าไม่ได้สอนพองยุบ ถูกแค่เาอะไรเพราะยังไม่ได้สอนยังไม่ได้สอนอย่างนั้นจริงๆทีเนี้ยเอาใหม่ทีเนี้ยไม่ได้สอนว่าพองยุบเป็นวิปัสนาแต่สอนอย่างเงินก็อตอบว่าทำอย่างไรล่ะจึงจะเป็นวิปัสนาได้อาต้องไขความพองยบไม่ใช่วิปัสนาเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนถูกเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเลยว่าพองยุบเป็นวิปัสนานะไม่ได้ว่า ทีนี้พองยุบไม่ใช่วิปัสนาแต่เป็นอารมณ์ของวิปัสนาได้วิปัสนาจะเกิดต้องยึดพองยุบเป็นอารมณ์ได้อะไรเป็นสมมติมีไม่จริงแล้วไม่มียังไม่ถึงอ่าครับผมงงอ่าไงอ่าเดี๋ยวข้อ น, นี้ก็ข้อนี้มดยังไม่หมดนะเราตอบก่อนตอบก่อค น, นที่นีครับผมยังยังไม่หมดครับ<ช><ม>จะตอบตว่าอพองยุบมาไม่ใช่วิปัสนาคือ อาเขาว่าอย่างนี้ก็ถูกยังไงอาพราะพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าพองยุคเป็นวิปัสสนานะครับเพราะวิปัสสนานี่เป็นเป็นปัญญาใช่ไหมครับใ ช, <ม>ใช่ในวิเคราะห์สัก์ว่าอย่างไรครับอะไรตอบวิวิทยาการิอนิจจาถิวันเสนาวิทยาการิปัปสตีติวิปัสสนาปัญญาถ้าเห็นด้วยอํานาจแห่งเห็นโดยอาการต่างๆมีอนิจจังทุกขังต่าเป็นต้น อันนี้จึงจะเป็นวิปัสนาใช่ไหมครับหรือว่าวิเศษนัตปัสตีติวิปัสนาใช่เห็นวิเศษก็ใช่อันนี้จริงจะเป็นวิปัสนาครับอันนี้มันยังไม่มีปัญญาครับผมมีแตพองยุบเฉยเฉยถูกแล้วเขาถามก็ถูกนะครับก็ของเขาก็ถูกอะไรนะครับถูกแล้วครับผมที่เราจะแก้ว่าเป็นวิปัสนาได้ยังไงคำาของเขาก็ถูกใช่คพองยุบไม่ใช่วิปัสนาเนี่ยตรงเปรี้ยเลยใช่เราคุณเจ้าก็ไปตัดไว้ที่ไหนนะครับตัดว่า ปัญญาทีเห็นแจ้งทหารจริงจะเป็นนิปัตนานะคนาะแต่มันไปเห็นแจ้งพองกับยุบงาใช่ไหมครับผมไปเห็นแจ้งพองกับยุคพองกับยุบอาการพองของท้องก็เป็นรูปอือาการยุบของท้องก็เป็นรูปอือย่างนี้ครับพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ครับแต่ตัวทองพองกับยุบจริงๆในขณะที่ท้องพองตรงยุบเนี่ยยังไม่เป็นนิปัตนาครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแล้วก็ อ่าประเด็กก็คุณว่าเนี่ครับอคือควายมันไถนามันเหนื่อยมันหอบทองมันพองยุบมันก็ทำวิปัสนาด้วยใช่ที่ถ้าเข้าใจอย่างนั้นนะครับผมไอ้เจ้นั้นตัวหายนี่กัดกอกง่ายๆของยุบเป็นวิปัสนาไหมบอกไม่เป็นเพราะมันยังไม่ได้กําหนดจะเป็นได้อย่างไงนะมวิปัสนาเป็นที่ของปัญญาของพองยุบไม่ใชปัญญาอ่ายังไม่ใช่ตัวปัญญาใช่ยังไม่ใช่ตัวปัญญาแต่เป็นของมีอยู่ทุกคนที่ถ้าทุกคนท้องของยุบเป็นวิปัสนาทุกคนก็ไม่ต้องมานั่งหลับตา เพราะมันมีอยู่แล้วเนี่ยใช่ไห ม, ตมแต่มันเป็นอารมณ์ของบรรดาใช่ทีนี้เป็นอารมณ์คนยา ก, ก็ต้องอธิบายแหละทีเนี้ยละญาติโยมปัญหานี่มันคล้ายๆมันสัมมวนฟังแล้วมันฟังยากยากเข้าใจยากเข้าใจง่ายๆจะว่าง่ายก็ไม่ใช่จะว่ายากก็ไม่เชิงถ้าฟังแล้วต่อปุ๊บไม่วิจารณมันก็คล้ายๆมันง่ายแต่ถ้ามาวิจารกต้องตอบออหลายแง่หลายมุมนะพองยกไม่ใช่วิปัสนาถูกตามภาษาไทย แต่ความมุ่งหมายคงจะถามว่าผู้ที่กําหนดพองน้อยยุบน้อยนี่ไม่ใช่วิปัสนาจะเป็นสมถะพระพุทธเจ้าไม่ไดสอนว่าพองยุบนี่เป็นวิปัสนาก็อาจจะมีปัญหาอย่างนั้นขออนุญก็ขอเขขอฉเลยให้เลยท่าพองยุบการกําหนดพองพองพองยุบนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสนาได้แล้วทาไมจึงเป็นอารมณ์ของวิปัสนาได้เราก็เข้าไปหาหลักวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นอะไรหนึเห็นปัจจุบัน สเห็นรูปนามสามเห็นปฏยรักษสี่เห็นมรคนิพานแล้ววิปัสนาเอาอะไรเป็นอารมณ์เอาขันห้าแล้วก็หาโดยที่ว่าขันห้ามันคืออะไรหนึ่งรูปสองเวทนาสามสัญญาสี่สังขารห้าวิญญาณนี้คืออารมณ์ของวิปัสนาแท้ๆมีห้าข้อเท่านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปได้แกอะไรได้แกร่างกายของคนทุกคน ตั้งแต่ผมถึงเล็บนี่เรียกว่ารู ป, ปขันเรียกย่อว่ารูปเวทนาก็เดกใจความสวยอารมณ์ความสบายไม่สบายเฉยเฉยคือรู้สึกสบายนี่เป็นสุขเวทนาก็เป็นเวทนาขันรู้สึกไม่สบายนี่เป็นภวเวทนาก็เป็นเวทนาขันรู้สึกเฉยเฉยนี่ก็เป็นอุเบกขาเวทนาก็จัดเข้าเวทนาขันทั้งนั้น สบายไม่สบายเฉยๆอยู่ที่ตัวของเราใจของเรานี้เป็นเวทนาขันที่นี่ความจำได้หมายรู้เห็นจำความสบายจำความไม่สบายจำความเฉยจำสีเขียวสีเหลืองสีแลงได้นี้ก็เป็นตัวสัญญาขันก็อยู่ที่ใจคนทกคนนั้นแหละแล้วสังขารแปลว่าปรุงแต่งแต่งให้เรารู้สึกสบาย แต่งให้เรารู้สึกไม่สบายแต่งให้เรารู้สึกเฉยเฉยแต่งให้เราโกรธแต่งให้เราพอใจแต่งให้เราเสียใจแต่งให้เรามีสติแต่งให้เรามีปรรัญญาอันนี้เป็นสังขารขันทั้งนั้นถทีนี้วิญญาณก็คือใจใจก็ดีจิตก็ดีมโนก็ดีมันนัทก็ดีหัตถก็ดีบันดอนก็ดีมโนธาตุมโนวิญญาธาตุก็คือใจคือจิตนั่นแหละอันเดียวกันท่านเรียก ว, ว่าเป็นไวยพ์ คือคําแทนชื่อเหมือนกับโยมนี่แหละเวลาไปวัดเรียกว่าโยมเวลามาบ้านลูกเรียกว่าแม่เวลาสามีเรียกไปเรียกว่าภรรยาเวลาหลานมัก็เรียกญาติเรียกยายคนเดียวกันแท้ๆทําไมหลายชื่อจิตก็เหมือนกันบางครั้งก็เรียกว่ามโนบางครั้งก็เรียกว่าวิญญาณบางครั้งก็เรียกว่าโนวิญญาณบางครั้งก็เรียกว่ามโนธาตุบางครั้งก็เรียกว่าวิญญาณธาตุบางครั้งก็เรียกว่าหาไทยบางครั้งก็เรียกว่าบรนดอนบางครั้งก็เรียกว่าจิต บางครั้งก็เรียกว่ามะโนก็คือใจนั่นแหละอันเดียวกันไม่ต่างกันหรอกอันนี้ขันห้าหนึ่งรูปสองเวทนาสามสัญญา 4, สีสังขาร5วิญญาณย่อให้สั้นก็เลือดสหนึ่งรูปปักคงไว้สองเวทนาสัญญาสังขารสมขันนี 3, ้น 2, ย่อลงเป็นหนึ่งเรียกว่า น, นามแต่เป็นจิตตสิกไม่ใช่จิตวิญญาณเป็นนามแต่ไม่ใช่จิตตสิกเป็นจิ ต, ตก็ได้สาม หนึ่งรูปสองนามจิตติสิกสามนามจิตย่อให้สั้นที่สุดเหลือสองคือรูปกับนามรูปคงไว้นามจิตติสิกนามจิตย่อเป็นหนึ่งเรีย ก, กว่านามรูปกับนามนี้คืออารมณ์ของวิปัสสนาทีนี้พองยุบนี่เป็นขันห้าไหมทีนี้จะรู้ว่าเป็นวิปัสสนาหรือไม่เป็นเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้หรือไม่เราก็มาพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าไปท้องพองนี่เป็นรูปประขันได้ไหมตั้งแต่ครูเป็นได้ไหม เป็นเป็นได้ครับผมหายใจเข้าไปท้องนูนนี่เป็นรูปประคันได้นะครับผมอ่าแล้วก็หายใจออกท้องแฝบเป็นรูปประคันได้ไหมได้ครับผมเป็นได้นะเวลาหายใจเข้าแล้วรู้สึกสบายอย่างนี้เป็นสุขเวิทนานี่เป็นเวทนาขันได้ไหมเป็นเวทนาขันได้ถ้าหายใจเข้าไปบางครั้งมันเสียดหัวใจไม่สบายนี่เป็นภุกวทนาเป็นเวทนาขันได้ไหมได้ครับหายใจเข้าไปรู้สึกเฉย เป็นอวีปขาเวทนาเข้าเวทนาขันได้ไหมได้ครับผมมีสองขันเลยนะครับผมแนวจําได้ว่าหายใจเข้าไปวันนี้รู้สึกท้องมันเป็นยังไงนี่เออมันเข้ามันโนนออกมันแฝกผู้ที่จำได้เป็นขันไหนเป็นสัญญาขันสัญญาขันแต่งให้เห็นว่าเออท้องพองมากพองน้อยพองสั้นพองยาวอ่าอย่างนี้ขันไหนเป็นสังขารขันครับผู้ที่รู้ว่าท้องโูนท้องแฝบนี่ขันไหนเป็นขันที่ห้าคือวิญญาณครับคบห้าขันแล้วใช่ไหมครับผม ขันทั้งห้านี่ย่อให้สั้นก็เหลือสองเขาลูกของนามใช่ไหมครับผมแล้วขันห้านี่เป็นอารมณ์ของวิปัสนาใช่ไหมก็เป็นอารมณ์ของปัสนาเห็นแจ้งก็คือเห็นขันห้านี้ใช่ไหมครับผเพราะฉะนั้นเห็นรูปนามเลยครับใช่ไหมครับใช่คือเห็นเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปพองรูปยุบนะครับก็เห็นอ่าสุขทุกข์ไมุ่ขไม่ทุกข์นะครับอ่าแล้วก็จําได้อันนี้เรียกว่าเป็นนามนะครับก็ที่เรียกว่าเห็นแจ้งคือเห็นรูปนามอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถูกครับ ก็เป็นอะถูกใช่ไหมเนี่ยครับผมถูกอารมณ์ของวิปันสนาแล้วนะครับผมถูกขันห้าแล้วนะกําหนดพองหนอยยุบหนอนะครับผมแต่พองหนอยุบพองยุบเฉยๆยังไม่เป็นวิปันสนาแต่เมื่อลงมือกําหนดพองหน่อยยุบหนอนแล้วขันห้านี่เป็นอารมณ์ของวิปัสนาใช่ไหมครับผมก็ชื่อว่าถูกขันห้าเมื่อถูกขันห้าก็ชื่อว่าผู้นั้นเจริญวิปัสนาได้หรือยังก็ได้ครับผมได้เลยนะแต่เขาบอกว่าจะไม่ใช่วิปัสนามันก็ผิดใช่ไหมตอนเนี้ยเพราะมันถูกแล้วเนี่ยแล้วก็ถูกถูกแล้วนะ แต่พอคลองทุกอย่างเดียวก็ไม่ใช่ก่อนจริงนะครับผมแต่เมื่อลงมือกําหนดแล้วมันเป็นแล้วใช่ไหมใช่ครับผมเอานับตอนนี้คุณหลวงพ่อที่ว่าอันนี้ก็คือเห็นรูปนามใช่ไหมครับอันนี้ที่ว่าเห็นปัจจุบันแหละครับคือเห็นปัจจุบันที่ว่าเนี่ยครับคือที่เป็นวิปปัสนาต้องเห็นรูปเห็นนามนะหนึ่งเห็นปัจจุบันก่อนสองเห็นรูปเห็นนามสามเห็นปฏิรักษ์สี่เห็นมรรคผลนิพพานใช่ไหมขออนุญาตอธิบายถึงข้าพเจ้า ข้หนึ่งเห็นปัจจุบันนี้ปัจจุบันแปลว่าทันกันครับคือสติเราทันรูปกับนามนะจึงจะเป็นปัจจุบันปัจจุแปลว่าเฉพาะหรือแปลว่าปัจจุมาจากปฏิปัจจุบันอุปนะเกิดขึ้นปัจจุบันแปลว่าเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ฮะอันนั้นเรียกว่าปัจจุบันเออเอาความารูปนามกําลังเกิดอยู่เดี๋ยวนี้แล้วสติมันทันทันกันนั่นเรียกว่าปัจจุบัน แปลว่าทันกันเอาความง่ายง่ายคือมันมีสามการหนึ่งอดีตสองอนาคตสามปัจจุบันอดีตคือมันเสร็จไปแล้วอนาคตมันยังไม่มาแต่ปัจจุบันกําลังเกิดอยู่เดี๋ยวนี้เรียกว่าปัจจุบันทีนี้ผู้เจริญวิปัสสนานี่ต้องได้อารมณ์ปัจจุบันควมหมายของว่าเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงปัจจุบันท้องยกตัวอย่างครับท้องพองขึ้นไป มีรูปกำนามเกิดแล้วคันห้าเกิดแล้วทีนี้สติรู้ทันว่าท้องกําลังนูนขึ้นนนนขึ้นทันกันทีเดียวเลวพอเริ่มพองพักก็กำหน ด, ดตันกันไปเลยพองเนอะพอดียกเนาะพอดีพอดีอันนี้คือปัจจุบันทีนี้อดีตตร็นี้เราเนึกว่าพองเนอะแต่ท้องมันนูนไปซะก่อนแล้อันนี้เรียกว่าอาดีตครับเรานึกในใจว่าพองเนอะแต่ท้องมันนูนขึ้นไปซะก่อนแล้วนี่อดีตไม่ทันแล้ว หมดไปแล้วอดีตไปว่า ด, ดับไปแล้วเสร็จไปแล้วทีนี้อนาคตทีเนี่ยเรานึกว่าพองนะ้องแต่พ้องยังไม่นูนพ้องยังไม่มาพ้องยังไม่นูนนั่นคือรูปกกำนามยังไม่เกิดถ้าเรียกว่าอนาคตแต่ว่ายังไม่มายังไม่เกิดทีนี้ปัจจุบันนราตรงไหนปัจกุปันนังจะโยธรรมัะมันกำลังเกิดขึ้นเย่นงพองนะ้องตาม ต, ายยนะติดไปพอดีเลยโยน้องก็ติดไปพอดีเลยไม่ก่อนไม่หลังกัน อย่างนี้ทะเลว่าปัจจุบันต้องการอันนี้ก็ับวิปัสนาต้องการเห็นปัจจุบันเพราะอะไรเพราะกิเลสเกิดไม่ได้กิเลสเกิดได้อดีตกับนาคตปัจจุบันกิเลสเกิดไม่ได้า น, นั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในพัทเทกรัตตสูตรพระไตปิฎกว่าอาตีตังนานวะกามยะอย่าเอารูปนามที่เป็นอดีตมาเป็นอารมณ์ยะพระตีตำไปหีนังตั๋งเพราะรูปนามที่เป็นอดีตเสร็จไปแล้ว เอาขึ้นไม่ได้แล้วเหมือนกับแก้วแตกแตกแล้วเอาคืนไม่ได้นับปฏิกังข์อนาคตังอย่ า, อารูปนามที่เป็นอนาคตมาเป็นอารมณ์อัปตัญจะอนาคตังเพราะยังไม่ถึงยังไม่เกิดยังไม่มาลุบประมาเหมือนกันกันกบแมวตะคุบหนูเพรอคุณเจ้าเห็นแมวคณะหาเยอะแยะใช่ไห ม, รมเราไม่ได้เลี้ยงแต่มาจากคณะสีพระทาั้งสีท่านเลี้ยงแตเดียวเรามันคอยตะคุบหนูเลยถ้านหนูยังไม่มาแมวตะคุบจะถูกหนูไห ไม่ถูกครับผมท่านูวิ่งนี้แล้วตกครบถูกไหมก็ไม่ถูกเหมือนใจครับมันต้องมาพอดีกันใช่ไหมเอออันนี้เหมือนกันครับถ้าเราว่าพองน้องท้องนูนไปซะก่อนมั่นก็ไม่ทันปัจจุบันถ้าเราว่าพองน้องท้องยางไม่นูนก็ไม่ทันปัจจุบันต้องพร้อมกันพองน้องพร้อมกันพอดีพอดีบาลีท่านจึงกล่าวไว้ในวิสุทธิมักว่ายะถาปิทีปิโกนัมมะนีลยิตตะวาคันธติมิเคอ นักปฏิบัติคือผู้ปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะต้องประทัตปฏิบัติเหมือนกับเสือโครง่งหรือเสือเหลืองมาแอบบอยู่ที่พุ่มไม้คอยตระคุบเนื้อพอเนื้อมากตะคบุบพับได้ทันทีเลยนักปฏิบัติกรรมฐานก็เหมือนกันต้องคอยยึจับกิเลสด้วยอํานาจปัจจุบั น, นธรรมให้มันทันกันพอดีพอดีมื่ทันพอดีแล้วกิเลสมันก็ขาดพองน้องพร้อมกันกิเลสขาดไปถึงเจ็ดชาติ แต่ที่จะพร้อมกันทันกันนั้นพระพุทธเจ้าวางหลักไว้สามข้อพอคุณเจ้าจำได้ไหมอาตาปีมีความเพียรเพราะกิเลส ร, ร้อนทั่วสติมามีสตินึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดก่อนรูปนามเกิดสสมปชนมีสัม ป, ช, มมปชัญญารู้ทุกขณะเอาความว่าหนึ่งตั้งใจสองคอยจ้องนิคติแปลว่าจ้องสามสัมปชัญะคอยจับแปลว่าคอยจับ คอยตั้งใจคอยจ้องคอยจับเมื่อทำอย่างนี้พบสามารถจะทันเลยพอพองน้องสติมันคอยจ้องอยู่ซะก่อนว่าจะนูนเมื่อไรจะแฝบเมื่อไรพอเริ่มนูนพบสมเนียงก็ตามติดตั้งต่ต้นพองกลางพองสุดคลองต้นยุบกลางยุบสุดยุบอันนี้เรียกว่าปัจจุบันทีนี้เมื่อทันปัจจุบันอย่างนี้แล้วกิเลสเกิดไม่ได้โลภโทสะเกิดไม่ได้ก็ตายพองน้องตายไปกิจชาติ ยุบน้องตายไปจิตชาติปัญญาก็จะเกิดชัดขึ้นมาว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามท้องพองเป็นรูปใจที่รูปเป็นนามแต่เวลาปฏิบัติจะไม่เห็นอย่างนี้จะเห็นว่าพองกับยุบเป็นคนละอันฮนี่คือแยกรูปไปแล้วอาที่ว่าท้องพองเป็นรูปท้องยุบเป็นรูปอันนี้ปริยัติเวลาปฏิบัติตัวสภาวะจะรู้ว่าพองกับยุบนี่มันคนละอันไม่ต้องไปเรียนมาจากที่ไหนสามารถจะแยกจากกันได้อย่างนี้ แล้วไอ้ความรู้สึกพองน้องมีความรู้สึกขึ้นมายุบน้องก็รู้สึกแต่ความรู้สึกตามพองไปดับไปแล้วความรู้สึกตามยุบมันดับอีกีรี้แหละความรู้สึกพองยุบนี่คือนามได้ก่ใจเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติสูงขึ้นสูงขึ้นสมาธิดีขึ้นจะสามารถแยกไลยว่าพองกับยุบเป็นคนละอันใจที่รู้พองกับใจที่รู้ยุบเป็นคนละใจเป็นคนละขณะ ก็จะเห็นชัดมาโอ้ไม่มีอะไรเนอะมันมีแต่โนนกับแฝงเท่านี้คือมีแต่พองกับยุบเท่านี้สูงขึ้นไปก็คือรูปกับนามนั่นเองท้องพองก็เป็นรูปใจที่รู้เป็นนามยุบเป็นรูปกูเป็นนามสูงขึ้ น, ส, นสูงขึ้นแม้ทางตาสีกับตาก็เป็นรูปเห็นเป็นนามทางหูก็หูกับเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามทางจมูกเป็นอ่ากับ จมูกเป็นปปลูกลูกกลิ่นเป็นน้ำทางลิ้นลิ้นกับรถเป็นลูกรูรุดเป็นน้ำทางกายกายทั้งหมดพร้อมทั้งเสื้อผ้าที่มาถูกตัวของเราเป็นลูกรู้ว่าเย็นร้ อ, อนอ่อนแข็งเป็นน้ำพ้นที่สุดจะเห็นชัดโมดบ่โอ้ร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บไม่มีอะไร น, ะน้อมีแต่รูปกับน้ำทนนั้นไม่ใช่สักไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะคุณพุทธทาสบอกบ่อย ตัวกูของกูอย่าให้มีให้เอาออกนี่วิธีเอาตัวกูของกูออกต้องออกอย่างนี้ก็จะเห็นชัดลงไปหมดทีนี่มาเห็นตัวของเราฉันใดกายเยกายานุปษษัสสีนี่ปกติเห็นซึ่งกายว่ามีแต่รูป ก, กับนามแล้วในตัวของเราฉันใดพระหิตทากายเยกายานุปัสสีจะต้องเห็นกายนอกออกไปคือของคนอื่นเหมือนกันอย่างนี้มีคนกี่ล้านก็มีรูป ก, กับนามเท่ากันเหมือนกับน้ําทะเล ในเมืองไทยก็เข็มเมืองกีนก็เข็มเมืองแคนดาก็เข็มฮอลแลนด์ฟินแลนดบลาซินอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เค็มล้วนกันหมดเลยตลอดประเทศรัเสเซียก็เข็มอย่างนี้อันนี้เหล่กษัตริย์จะทำเห็นรูปเห็นนามแล้วต่อไปก็จะเห็นผัสไตรักคืออนิจจังทุกขังหนักตาการเห็นผัสไตรักโดยการกําหนดท้องพองยุบนี่แหละจะเห็นเป็นหลายระยะระยะแรกจะเห็นว่าโอ้ท้องพองทองยุบนี่มัน เป็นรูปกับนามเนี่ยพองมันก็ดับไปยบมันก็หายไปนมันไม่มีอะไรอยู่มันเกิดมันดับอยู่อย่างนี่เนาะนี่ก็ชื่อว่าเห็นอันนิจจังทุกขังนัตตาโดยการจําตําราหรือโดยการคิดสูงขึ้นไปก็อัจจะไปจจรนาว่าพองเนาะยบเนาะพองพองนี่มันไม่มีอะไรเหลือเลยสิ้นไปสิ้นไปพองเนอะก็สิ้นไปยุบเนอะก็สิ้นไปทั้งวันทั้งคืน มันสิ้นไปอย่างนี้อย่างนี้ถ้าไม่สิ้นไปเราก็ไม่แก่แล้วเราก็ไม่ต้องเจ็บต้องตายกันแล้วเหมือนกับเข็มนาฬิกาเดินติ๊กติ๊กติ๊ ก, ก, ก, กมันก็60สิบวินาทีมันก็เป็นหนึ่งนาทีหกนาทีมันก็เป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วยี่สิชั่วโมงก็เป็นหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่ใช่ในาฬิกาเดินอย่างเดียวชีวิตเรามันก็แก่ตามไปอย่างนี้นี่คืออนิจจังนี่คือพุทขังนี่คืออนัตตา ตัวเขาเรามันเป็นอนิจจังทุกขังตามไม่มีอะไรกิรังยั่งยืนเนาะหัวก็ขาวตันก็หลุดหนังก็เหี่ยวก็ย่นไม่ทลายตาฝ้าตา ฟ, า, ต า, ฟางไม่ทลายก็จะตายแล้วเนาะเมื่อปรงอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็ชอว่าการเห็นอนิจจังทุกขังหนักตาโดยการนึกการคิดจิตตาเมยะปัญญาถูโโกโยคะแนนเต็มร้อยก็ได้สิบห้าคะแนน แต่ขั้นสูงขึ้นไปกว่านี้เข้าเขตวิปัสนาโดยกำหนดท้องผองยุจะเห็นว่าผองยุบนี่มันจะขาดมันจะดับพิภูนันดูโดยลักษณะสามประการประการแรกผองยุบอ จ, จวัยจะถี่เข้าแล้วเขาก็ขาดดับลงไปอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังชัดสี่สเปอร์เซ็นต์ห้าบเอร์ซบางครั้งหรือบางท่านอาจจะเห็นผองยุบมันเบาลงบงแล้วขาดลงไป บางครั้งอาจจะเห็นพองยุบแน่นเอื้อดันแล้วขาดลงไปแต่จะขาดอย่างไรนั้นผู้ปฏิบัติเตอานั้นจะรู้โดยตัวเองอย่างนี้จึงว่าเห็นพัดไตรักชัด50ปอร์เซแล้วให้กันมาได้บอกกันก็ไม่รู้เรื่องข้อต่อไปเห็นขั้นสูงสุดสามารถจะจับได้ชัดจเจนแจ่มแจ้งว่าขาดตรงไปตรงไหนเมื่อไรอย่างไรนั่นเรียก่าเห็นพัดไตรักนี่ตอบเยอะๆทีนี้เมื่อเห็นพัดไตรักอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญ ม, มาก พอใจวัตสัตตังชีวิอภัสสังอุทยัป พ, พยังเอกหังเหตังสยปัจสตุอุทยัป พ, พยังนักปฏิบัติธรรมพูดใดเห็นรูปเห็นนามเกิดกับอย่างนี้แม้มีชีวิตอยู่ได้วันเดียวตายเสในวันนี้ดีกว่าคนไม่เห็นเป็นอยู่ตั้งร้อยปีนี่ก็แสดงถึงว่าคุณค่าของผู้ตีเห็นวัตไตรักษณ์นี้สงมากดีไม่ใช่เล่นไม่ใช่ต่ําเลย ดังนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงต้องยึดขันห้าคือรูปกับนามเป็นอารมณ์ท้องพองท้องยุบนี่ก็เป็นขันห้าผู้ที่เอาท้องพองยุบมาเป็นอารมณ์ก็ชื่อว่าผู้นั้นเจริญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อจเจริญแล้วก็จะเห็นแจ้งกันไปโดยลำดับคือเห็นปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นผัลแต่รักมรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่สติปัญญาของท่านผู้นั้น เพราั่ปัญหาที่ถามว่าไอ้ท้องพองยบไม่ใช่วิปัสนาก็ขอชี้แกงแสดงไขให้เข้าใจตามข้อทิจจริงว่าเพียงพองยุบเฉยๆไม่ใช่วิปัสนาแต่ท้องพองยบเป็นอารมณ์ของวิปัสนาโพรที่ต้องการเจริญวิปัสนาต้องยดขันห้าจะเอาท้องพองยุบก็ได้เอาเอื่นก็ได้จะเอาทางตาก็ได้ท้งหูก็ได้ทางเ้าโม ก, ก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางกายก็ได้ ทางเดิมก็ได้ทางนั่งก็ได้นอนก็ได้จะคู้จะเหยียบจะงงก็ได้แต่ในทีน่นี้เอาพองรุบเป็นตัวการสําคัญก็ถูกต้องเหมือนกันเหตุนั้นว่าวิจัสนาจะต้องเอาขันห้าคือรูปกนามเป็นลมผู้ที่กําหนดพองพองยุบก็ชื่อว่ากำหนดขันห้าเมื่อกําหนดขันห้าก็ชื่อว่าขันห้านี้เป็นอารมณ์เป็นปุงของวิจัสนาเมื่อเจริญพิจรารณาตามนี้ก็จะเกิดปัญญาเป็นขั้นเป็นขั้นมาจนกระทั่งสิบหกขั้นนี้เรียกว่า จเจริญวิปัสนาโดยถือขันท่ายึดขันท่าเป็นอารมณ์ดังนั้นการไขปัญหาวันนี้ถึงเรื่องท้องของท่องยุบคนอาประสงค์ควรแต่ ก, การเวลาแล้วขอยึติไว้เพียงเท่านี้จเจริญสุขท่านสาวธุชนผู้มีความสนใจใกล้ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายาวันเสาร์นี้รายการไขปัญหาธรรมะก็มาสู่ท่านสาวธุชนนักปฏิบัติธรรมอีกวันะหนึ่ง แตวันเสารนี้ก็จะได้ไขปัญหาตอนเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้พระเดช พ, พระคุณหลวงพ่อพระเทพสิททิมนีพระอาจารย์ใหญ่ฝายวิปัสนาธุระก็ได้ไขปัญหาของโยมจากจังหวัดอุธยาที่ถามว่าพองยุกเขาว่าไม่ใช่วิปัสนานั้นก็ได้ไขโดยพิสดารพระเดช พ, พระคุณหลวงพ่อก็ได้กล่าวว่าพองยุก เพียงแต่คลองยุบไม่ใช่มิปัจนาเพราะยังไม่มีสติกำหนดยังไม่ได้เห็นแจ้งต่อรูปนามไม่ได้เห็นแจ้งปัจจุบันยังไม่เห็นแจ้งเข้าใจรักหรือว่ายังไม่เห็นแจ้งอริยสัจสี่เฉพาะคลองยุบท่านั้นก็ยังไม่ถึงมิปัจนาอประเด็กก็คุณร อ, องพ่อก็ได้ไขไปอย่างนี้ดังที่ญาติโยมสาธุชนได้ฟังไปแล้ววันนี้ก็จะได้ยกตัญหาอีกข้อหนึ่งอของโยมที่มาจากอายุทยา ได้ถามว่าพองยุกเขาว่าเป็นสมถะปัญหาอย่างนี้ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเขาเป็นเป็นปัญหาข้อที่สองนะครับปัญหาข้อที่สองพระเดชพระคุณฟังอีกเที่ยวหนึ่งนะครับว่าพองยุกเขาว่าเป็นสมถะถามแค่นี้เลยครับถามอสั้นๆครับดีแล้วกขออะไรนะครับออาญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายไม่ใช่โยมคนนี้อย่างเดียวอาตมาก็ดีดินเข้าหู แล้วก็มีคนถามเหมือนกันถามวัาหนึ่งไปฉันวางสารงนมก็มีคนถามพ่อโปรดทำความเข้าใจเสีก่อนก็เห็นใจที่สงสัยนั่นนะอันนี้ก็ขอโทษเถอะต่อเพราะยังไม่เป็นสมถะก็ยังไม่เป็นวิปัสนาก็ยังไม่เป็ น, ป น, ปนพอถามว่าพองยุบเป็นสมถะเฉยๆคือไม่มีคนกําหนดมันพองมันยุบอยู่ธรรมดาแล้วเขาจะนั้นปัญหาหนี่ตอบตามตัวหนังสือก็อต้องตอบว่าเป็นไม่ได้เป็นสมถะก็ไม่ได้เป็นวิปัสนาก็ไม่ได้ มันเป็นอะไรก็เป็นพองเป็นยุบเพราะมันมีทุกคนแล้วแต่อย่านั่นถ่าว่าพองยุคเป็นสมถะมันทุกคนที่เกิดมามีท้องพองยุบมันก็เจริญสมถะโดยกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยสี่สิบหกล้านก็ะจะเจริญจนตามหมดเลยสินะนึกไงของกูครับผมก็จ ะ, ะเป็นยังไงเลยครับตอบว่าพองยุคเป็นสมถะเราก็ตอบว่าไม่ใช่ทําไมจึงไม่ใช่เอาเขายังไม่ได้ภาวนาเลยจะเป็นยังไงลนะ่ะพอคลอดออกมาก็มีพองยุคหายใจกันอยู่แล้วมีพองมียุคอยู่แล้ว ดั้นเด็กน้อยตาแม่ตาแ ว, ว่อยู่กัะเจริญสมถะกันเลยสิอา้าวอันนี้ปัญหาตอบตามตัวหนังสือที่นี่เฉลยคําว่าอืมพองยบเนี่ยมันเป็นของที่มีมาแล้วทุกคนทุกคนยังไม่เป็นสมถะและยังไม่เป็นวิปัสสนาเขามีปัญหาว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นสมถะทํอย่างไรจึงเป็นวิปัสสนาก็าต้องภาวนาสิถ้าไม่ภาวนาก็ไม่เป็นแล้ว แต่ถ้าโพดายเอาพองยุบนั่นแหละมาเป็นอารมณ์และมาภาวนาก็จะเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสนาภาวนาอย่างไรจึงจะเป็นสมถะภาวนาอย่างไรจึงจะเป็นวิปัสนาเราก็หาข้อเท็จจริงกันเสียก่อนว่าสมถะเอาอะไรเป็นอารมณ์วิปัสนาเอาอะไรเป็นอารมณ์ท้องพองยุบนี่เป็นอารมณ์ประเภทไหนนห่เราจึงจะตอบปัญหานี้ในขาวถ้าตอบเลยพอกําหนดพองน้อยๆไม่เป็นวิปัสนาเป็นสมถะ มันก็ยังไม่ชัดมันมัวเกินไปถ้าตอบว่ากำหนดพองยุเป็นวิปัสนามันก็ยังไม่ชัดอีกคนฟังก็สงสัยก็เถียงกันทีนี้เมื่อเราเข้าใจชัดเจนปัญหาเถียงกันคงจะไม่มีถึงมีก็คงน้อยถ้ารู้ข้อท็่จริงการวินิจฉัยปัญหาข้อนี้เราจะต้องแยกประเด็นว่าพ้องพองทอง้ทองยุบนี้เป็นอารมณ์ของสมถะหรือวิปัสนา เราจะอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินเราก็เอาหลักในพัฏไตรปิฎกนั่นแหละในพัฏไตรปิฎกอารมณ์ของสมถะมีเท่าไรมีสี่สิบอย่างอารมณ์ของวิปัสสนามีเท่าไรมีหกอย่างทีนี้อารมณ์สี่สิบอย่างในสมถะนั่นคืออะไรกระสินสิบเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งลมสีเขียวสีเหลืองสีแดงอสุภะสิเพ่งซากศพที่ตาย วันหนึ่งสองวันจนเหลือแต่ร้างกระดุกอนุสติสิบระลึกถึงคุนพพุทธเจ้าพระธรรมสงศ์ระลึกถึงทานระลึกถึงศีลระลึกถึงคุณพันธุพานนั้นระลึกถึงความตายพรมเมหารสีเมตตากรณาโมจาระเบขาอารู ป, ปกรรมฐานสีอากาวิญญาจินเนวัตัญญ า, าสัญญาเจตนะอาหารเรปฏิคูลสัญญากำหนดความเป็นของปฏิกุลในอาหารจะตุธาตุวฐ า, านกำหนดธาตุสี ท่านพ่อขู่ลองดูทิฏฐิผมว่ามันเนี่ยเรากําหนดพองหนอยุบหนอเนี่ยเป็นกสิณสิทธิไ์ได้สักข้อไหมไม่ได้เลยสักข้อหนึงครับกสิณจิตนี่เวลาภาวนาปัตวีกสิณก็ว่าปัตวีปัตถวีอาปโป อ, อาปโปใช่ไหม อ, อ, อันนี้ไม่ได้ว่าอาปโปแล้วว่าพองหน อ, อยุบหนอก็ไม่ถูกนะ อ, อันหละ่กะกสิณจิตไม่ถูกสักข้อหนึ่งที่นี้อสุภะสิท เอาซากศพที่ตายวิคิตรกังเนี่ยเอาซากปุวรหกังเอาซากศพที่ตายวันหนึ่งสองวันจนกระทั่งวันมือเหลือแต่ร่างกระดูกเอ้เราไม่ได้พิจารณาอัติการปฏิกรลังหรือปุโรหกังวิคิตรกั ง, กกงวิกิเตงไม่ได้พิจารณาเลยนะครับผมก็เป็นนังว่าอสุภาษิตไม่ถูกสักข้อหนึ่งล น, น ะ, นะทีนี้เอาอนุสติสิบจีกำหนดพองเนอะยุบหนอนี่ไม่ได้ว่าพุทโธนะฮะมันก็ไม่ถูกแล้วนะ กำหนดพองน้ อ, อยยน้อยไม่ได้ ว, ว่าธโมก็ไปถูกอีกแล้วกำหนดพองน้อยอยุ่น้อยไม่ได้ ว, ว่าสังโฆมันก็ไปถูกนะกำหนดพองน้อยอยุ่น้อยไม่เดีนึกถึงศีลเลยกำหนดพองน้อยนึกน้อยไม่เดีนึกถึงจาคานุสติถึงทานเลยนั่นเป็นได้เป็นได้ไหมเป็นอนุสติสิบได้ไหมก็เป็ น, น, ม น, าปา น, นไม่ได้เป็นไม่ได้สักข้อเลยนะแต่อนาปานัสตินี้ก็เพ่งลมไม่ใช่ก็ไม่ได้อีกนะครับไม่ได้อีกนะเพราะว่าอนาปานสติมีอยู่ข้อหนึ่งนะมีอยู่ข้อนึ่งไม่ ในอนุสตีนิสิมันมีข้ออนาปานสติข้อนึงมีกายคตาสติข้อนึงนะเออก็เป็นวายมันไม่ได้เดียวเดียวก่อนเออประเดียวโยมจงแตเรเราข้ามไปละมั้งปรเดี๋ยวไปตีกินเขาโยมโยมอาจจะเขาใจยางนั้นนะเดี๋ยวจะหาว่าประเดียพระกุงขอโมเมเขาที่เอาเอาให้แนที่ให้แย่ไปเลยให้แจ้งไปก่อนเอานั้นเอาว่าให้ละเอียดเรื่อนั้นนะเอาละโยมเอาไม้เอาไมเดียวมเจออหนึ่งเออเอาเอากสินสิธ์ไม่ถูกนั้นนึง ปัทเีกสินเอาดินเป็นอารมณ์นี่ไม่ถูกสอง อ, อาปโปกสินเอาน้ําเป็นอารมณ์นี่ก็ไม่ถูก3ตีโชสินเอาไฟเป็นอารมณ์สวายโยสินอารมเป็นอารมณ์นี่นมันการมนะแต่ลมไม่ได้กําหนดอย่างนี้นะลมพัดใบไม้ต่างหากน ะ, นกะห้านี่ละกระสินเอาสีเขียวนี่ก็ไม่ถูก6ปีตกสินเอาสีเหลืองนี่ก็ไม่ถูกเโลหิตกสินเอาสีแดงนี่ก็ไม่ถูก8โอทากสินเอาสีขาวนี่ก็ไม่ถูกเราไม่ได้พอนาะสีขาวนะเก้าอากาศกสินเอาอากาศเป็นอารมณ์ ภวานาวะอาคัโศอาคัโศนี่ก็ไม่ถูกสิบอาโลกาสะสินเอาแสงสว่างเป็นอารมณ์พานาวะโอภาโศโอภาโศนี่ก็ไม่ถูกเป็นนว่า10ิบข้อนี่แน่นอนแล้วไม่ถูกแล้วนะเมื่อกี้นี่ละอาจจะว่าหยาบไปก็ได้นะพระคุณเจ้าสักถามขึ้นมาชักเจิสงสัยขึ้นมาอีกคราใจทีนี้หมวดอสุภะมีสิบหนึ่งเอาซากศพที่ขึ้นพองเป็นอารมณ์สองเอาซากศพที่มีสีเขียวเป็นอารมณ์ทำมันถทรข้อนี้พุะคเจ้าว่านะผมจะเรียงลาดับให้ 3. เอาซากศพที่มีน้ําเหลืองไหลออกเป็นอารมณ์ ส่เอาซากศพที่ขาดเป็นพันเป็นอารมณ์ห้าเอาซากศพที่ถูกสัตว์กัดขาดวิ่นไปเป็นอารมณ์ 6. เอาซากศพที่ถูกสัตว์กัดประจุยกระจายอยู่ในที่นั้นนั้นเป็นอารมณ์เเอาซากศพที่ถูกฆ่าตายเป็นอารมณ์แเอาซากศพที่มีโลหิตไหลออกอยู่เป็นอารมณ์เเอาซากศพที่มีหมูน้อนไหลออกอยู่เป็นอารมณ์ สิอาซากศกที่เป็นโครงกระดูกเป็นอารมณ์ถูกไว้บ้างไม่มีสคอเลยนะไม่มีเลยครับหมดไปยี่สิบแล้วนะทีนี้หมวดที่สิบอสุภะ อ, อนุสติหนึ่งละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าภาวนาพุทโธพุทโธหรือสัมมาอรหัง2องละลึกถึงคุณพรธรฒนภาวนาธรรมโมธรรมโมสาละลึกถึงคุณประสงค์ภาวนาสังโฆสังโฆเซ่ละลึกถึงศีลของตอนภาวนาวัดซีลังเมย์ริสุทธิ์ังสีลังเมย์ปริสุทธิ์ัง ห้าจารคานุสติระลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วภาวนาว่าจาโคโมเมปริสุโทโตหรือทานังเมปริสุทถังก็ได้หกเทวตานุสติระลึกถึงคนนธรรมที่ทําบุคลให้เป็นเทวดามีสัพพาเป็นต้นภาวนาว่าไมหังสัพพาธิคณาสังวิจันติไมหังสัพพาธิคณาสังวิจจันติคนทั้งหลายมีสัพพาเป็นต้นของเราคนมีโย เอุปสมานุสติระลึกถึงคนประนิพพานซึ่งเป็นเทระนัตกิเลสและกองทุกข์ภาวนาว่ามรัทนิมัตโนปิปาสสะวิริโยอาละยะสมุขหาโตวัตถุวัชเโทตันหกโยวีราโคนิโธโทนิพานังบทในบทหนึ่งก็ได้8มรณานุสติระลึกถึงความตายอันจะมา ถ, ถึงตนภาวนาว่าตัตนานังมรณังทุกวังความตายของสัตว์ทารายเป็นของยั่งยืนชีวิตตั้งอัตวงังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน อวัตสังมียามริตตัพังเราจะต้องตายแน่มรณะประโยชน์สางนางมีชีวิตตัง้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สดชีวิตตมเมวะอนิยตัง้งชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเลยมรณะอนิยตัง้งความตายเป็นของเที่ยง 9. ก้ากายคตาสติตั้งสติไว้ในกายคือพิจารณาอาการสามสิบมีผมขนเล็ดเป็นต้นภาวนาว่าเกศาโรามานาคาตันตาตโยตโยตโันตานะคะาคาโรมาใชจสาโภวะ ให้โท<ถ>รเห็นหมล่ะแล้วาน า, าปานสติตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกข้อนี้จำแนกเป็นแปดในในที่หนึ่งอนุพันธนานในติดตามลมเวลาหายใจเข้าต้นลมอยู่ที่จมูกกลางลมอยู่ที่หัวใจ เ, เวลาปลายลมอยู่ที่สะดือดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องตั้งสติกำหนดลมสามแหง่งคือจมูกหัวใจสะดือ สองณนาใ น, านาในแห่งการ น, นับลมเช่นหายใจเข้าหายจะออกนับเป็นหนึ่งหายใจเข้าหายออกนับเป็นสองเรื่อยไปจนกระทั่งถึงห้าตั้งตนถึงหกตั้งตนถึงเจ็ดตั้งตนถึงแปดตั้งตนถึงเก้าตั้งตนถึนถนถสิบและตั้งตนหนึ่งถึงห้าใหม่โอ้บาก็าไม่ถูกครับไม่ถูกที่แล้วนะเอออันในที่สามภูษณนาในากําหนดลมกระทบะลมถูกลมกระทบท้อง หายใจเข้าไปในมหาภูตโลกมันก็กระทบพืดานพองมันก็พองออกมาอันนี้ถูกขันห้าป่าเนี่ยนี่ถูกขันห้ถูกขันห้าที่กำหนดพองยุบอในนี้ใช่ไหมในนี้ครับ เ, เรียกว่าภูสนาในาเป็นในที่สามส่วนในที่สี่ถัปปนาในาในที่ห้าสัญลักษณนาในาในที่หกวิวัฒนยัยในที่เจ็ดปาริสุทธินในในที่แปดเตสังปริปัสนาในาตั้งแต่ในที่สามเป็นวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นอันนี้ เข้าในข้อนี้ได้นะออแต่ไม่ใช่สมุทะเพราะในนี้มันแยกเป็นแปดในในที่หนึ่งที่สองเป็นสมถทะในที่สามเป็นวิปัสนาจะพอเข้าก็เ ข, ข, ข, ข้าได้นี้จะไหม อ, อ, อนาอนปานสติพอเข้าได้นะแต่ไม่ใช่สมุทะเพราะในนี้ทันแยกเป็นแปดในนะพอเข้าได้ข้อนี้หรือไม่กินนี่นะเข้าได้ข้อนี้ครับที่ว่าภูษณนัยใช่ไม้มใช่ภูษณนัยคือดูลมกระทบดูลมกระทบแตไใช่ดูตัวลมไม่ใช่ดูตัวลมวิธีดูลมนั่ น, านา คำว่าวายุศีลมันไปดูลมดังโน่นดางลมข้างนอกในข้างนอกนอนอันนี้ลมในลมอนาปานนะครับลมอนาปานก็ดูลมดูลมนะดูสันเราจะอยู่ดังที่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้าดูออกเข้าดูออกนี่เป็นด้วยการนับดยการนับอย่างหนึ่งด้วยการติดตามอย่างนึงติดตามต้นลมต้นลมต้นลมใช่แต่ไม่ได้ไม่ได้ดูตัวอาการพองกระทบใช่ ถ้าดูการพองกระทบมันเป็นประมัสผ์การเคลื่อนไหวนี่คือว่าไอทองพองออกมาทอยุดเข้าไปดีมันมันเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยใช่ไหมครับมันก็เป็นประมัสกเป็นอะไรกายเยื่วิญญาตก็ได้ใ่ไหมครับการเคลื่อนไหวกายข้อสำคัญที่ให้เป็นเป็นวิปัสสนาใช่ไหมรับเพราะฉะนั้นการดูลมังในที่หนึ่งในที่สองที่พระเดชพระคุณว่าเมื่อกี้นี้ก็ ยังอยู่ในเขตของสมถะนะครับเขตสมถะและนี่ก็ว่าพองหนอลุกหนอก็ที่เขาว่าเป็นสมถะก็คงจะเอาไในหนึ่งในสองนี้มาดหนโดยมากพวกนี้ดูไม่ค่อยถึงขั้นเท่าทที่รู้มานะมีคนหนึ่งแกว่าเป็นคนเข้าใจธรรมะชอบไปคุยธรรมะที่น้นวันหนึ่งไปฉันวางสารนอมเขาก็ถามเอ้ hey, มันเป็นสมถะอ่าะก็คุณคุณรู้ไหมว่ามันมีกี่ในฮะเขาว่ามันเป็นสมถะแล้วก็ถามว่าคุณรู้ไหมไอ้จีลมเข้าลมออกอานาปานะมันแยกเป็นกีน่ในบอกไม่รู้ อ่าไม่รู้ก็ไปได้ในเดียวไปเห็นแต่ว่าอาณาปณะกาหนดลมเข้าลมออกก็ไปได้แค่นั้นแต่ที่ท่นแจกออกไปเป็นแปดมันไม่ได้ดูเมื่อใดไม่ได้ดูมันก็จะรู้ได้อย่างไรตัดหินได้อย่างไงใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ถึงกันนี่มันมีถึงแปดในนี่เมื่อไม่เข้าใจมันแยกออกมันก็เหมือนอย่างนี้ครับเหมือนคําว่าธรรมารมเป็นรูนแล้วเป็นน้ำนะจะเข้าใจยังว่าธรรมารมเป็นน้ำ มันก็ผิดใช่ไหมครับผมถ้าไม่แยกก็ตอบไม่ถูกอันเนี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทางหลายโปรดฟังให้ละเอียดหรือผู้เข้าใจธรรมะทางหลายถ้าเรานึกเราเฉยเห็นแต่ ว, ว่าอาณาปานะเนี่ยแต่ ว, ว่าอาณาปานาสติต่างส ต, ติกำหนลดลมหายใจเขาออกถ้านพูดโดยเพียงเท่านี้นะนี่เราตั้งสติกำหนลดลมหายใจออกแล้วก็นึกว่าเอาเฉพาะลมหายใจเขาออกเฉพาะแห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้นพราะศัพท์มัว่าอย่างนี้ เป็นี่ไปดูคำหมายอธิบายของท่านท่านอธิบายไปชัดเจนแจ่มแจ้งว่าลมเข้าลมออกในแบ่งเป็น8ปดในว่าไปชัดในที่หนึ่งอนุพันธนาที่สองคณาในที่สามปุสนาัยที่สีนน่ 4, ถัปปนานัยที่หสันนคในที่หกวิวัตนัยที่7ปริสุทตนาในที่8ติสังปริปัตนยท่านว่าของทำอวไรเจ้าไปหมดในไหนเป็นสมถะเป็นวิสนานั่นก็บอกชัดเจนแจ่มแจ้งแต่นี้ถ้าเราดูหนังสือน้อย มันก็ทะเลาะกันน่ะทีเนี้ยโอ้ยอนาปณะลมหายใจเขาออกตื่นไม่ถูกรอกเนี่ยปัญหาจริงเกิดขึ้นเหมือนกับคําว่าธรรมารมอารมณ์เกิดกับใจแล้วเอาอะไรล่ะอะไรมันเป็นรูหรือเป็นนา้านี่ถ้าคนไม่ค้นหนังสือก็เป็นน้ํามันเกิดกับใจนี่เนี่ยแต่ถ้าคนค้นหนังสือดูพระอภิธรรมแล้วก็จะเห็นว่า ธรรมารมณ์อารมณ์ที่เกิดกับใจเนี่ยมันมีถึง6อย่างภาษาทรูปสุคุมรูปจิตเจตสิกบัญญัตินิพพานภาษาทรูปเป็นรูปสุคุมรูปก็เป็นรูปจิตเป็นนามเจตสิกเป็นนา ม, น, น, ามนิพพานเป็นนามบัญญัติไม่ใช่รูปไม่ใช่นามจิงจะตอบปัญหาข้อนี้ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าฟังแต่เพียงว่าอ า, าะนาปณะสติตั้งสติกำหนดลมหายใจเขาออกไม่รู้มีกี่ไหนก็เลยนึกเอาว่าเป็นสมถตานเนี่ยเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ อ้าวทีถูกข้อนี้นะครับผมเอาละที่ดูต่อไปข้อใหม่อีเมตตากรุณาเมตตาเวขาที่ไม่ถูกนะอาหารนี่ก็ไม่ถูกนะครับผมอาวละพอเข้าได้ข้อเดียวท่านั้นแล้วพระขาตุสี่ก็ไม่ถูกก็เป็นหมดแล้วนะอากาวิญญาอาจินจันญาเนี่ยจัญญาก็ไม่ถูกก็เป็นว่าเข้าได้ข้อเดียวนะครับแต่ข้อเดียวนั้นแจกออกเป็นแปดแปดในแปดในอนาปานะงาอนาปานัสเตงนะครับครับทีนี้ถ้าหากว่าเรา ประเดคุหลวงพ่อถ้าเราเพ่งครับคือลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยอืมเพ่งอานาปาณสติคือการดูลมหายใจเข้าหายใจออกแต่เราไม่ดูลมนะครับคือเราดูการกระทบของลมจะเป็นนิปพัสนาได้ไหมครับเได้ที่จมูกเนี่ยได้คือเวลาลมเราเพ่งความร้อนความเย็นอย่างนี้ครับเวลาลมออกรู้สึกว่ามันกระทบจมูกลมนนั้ร้อนๆอย่างเนี้ยเราเพ่งความร้อนอย่างนี้จะเป็นนิปพัฒนาได้เป็นได้ครับเรากําหนดเพ่งความร้อนเหรอครับก็ความร้อนจะว่างไงอ่ะ กำหนดร้อนหรืเพ่งได้เฉยหรือภาวนาด้วยเปล่าภาวนาร้อนร้อนหน่อล้อนหน่อมันได้ครับร้อนเป็นรูปรูอร้อนเป็นนามมันพอแล้วเป็นโพธาพะเหมือนกันครับเป็นโพะเหมือนกันครับใช้ได้อันที่จริงนะครับอันที่จริงนั่นนะกําหนดลมเนี่ยมันก็ทารลมกาหนดเป็นทะรูปรูรูน้ำเนี่ยมันถูกใช้ได้ทางนั้นน่ะพอทิจจริงนามันถึงกันอู่หมดนะถ้าเราเข้าใจแล้วนะแม้จะกําหนด ลมเข้าลมออกโดยเราไม่ต้องนับแต่เราต้องมีบริกรรมนะเถ้ารู้คํำมารูปกับนาวแนละ้วมันสามารถจะไปได้เข้ากันได้โยเพราะฉะนั้นปัญหานี้จริงตอบได้ไง่ายๆครับว่าการกําหนดพองยุบเนี่ยเป็นสมถตหรือวิปัสนาถ้าตอบให้ถูกที่สุดต้องตอบว่าเป็นทั้งสมถะทั้งวิปัสนาครับผมต้องอย่างนี้ถึงจะถูกเป็นตใช่ไหมใช่ถูกร้อยเปอร์เซ็นถ้าตอบว่าเป็นวิปัสนาอย่างเดียวก็ผิดผถ้าตอบว่าเป็นสมถะอย่างเดียวก็ผิดอยู่ เพราะฉะนั้นตอบว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นได้ทั้งสมมติาและกัฌนาที่นี่เหตุผลทำไมจึงตอบอย่างนั้นนะเพราะว่าในปฏิสัมมิธามธรติวายุคณัตถะแปลว่าการปฏิบัติ ธ, ธรรมมันต้องเป็นคู่กันเพราะคุณเจ้าเราลองนึกือกำหนดพองน้องยุบน้อนี่ด้วยอำนาจศีลสมาธิปัญญาใช่ไหม ศีลสมาธิปัญญานีนย่อมาจากมรแปดใช่ไหม <darum. S 2> สัมมา ท, ทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกปรดาริชอบย่อลองเป็นหนึ่งเรียกว่าปัญญาสัมมาวิจาวิจาชอบสัมมากรรมตัวการงานชอบสัมมาอาชิ ว, วเป็นอยู่ชอบย่อลองเป็นหนึ่งเรียกว่าศีลสัมมาวายโมเพียงชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบย่อลองเป็นหนึ่งเรียกว่าสมาธิสมาธิกับสมถะในอันเดียวกนันแลาว ก็อันเดียวเอับอันเดียวกันนี่นี่โปรดเข้าใจให้ถูกนะยาดมนะสัมมาสติระลึกชอบนี่สัมมาสมาธิตั้งใจชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติเรื่องชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบสามอันนี้เป็นสมาธิสมาธินี่แหละท่านเรียกว่าสมถะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเถียงกันแล้วกำหนดพองน้อยุบน้อยใช้อะไรก็ใช้มรแปดสีสมาธิปัญญามาเป็นผู้กำหนดอ่ ศาสนาสอนให้ราาู้จักศีลสมาธิปัญญาพร้อมทั้งอารมณ์ศีลสมาธิปัญญากําหนดอารมณ์คือขันห้าท้องพองยุบหนีเป็นขันห้าเมื่อใช้ศีลสมาธิปัญญากําหนดพองน้อยยุบหน่อแล้วมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสนาเลยเพราะมันเป็นมรรคแมรรคแก็วิปัสนาก็มีสองข้อสมถะก็มีสามข้อเมื่อมารวมกันเข้ามันก็ชื่อว่าทั้ง2อย่างทั้งสมถะวิปัสนาแยกกันไม่ออกเลย ถ้าแยกเมื่อไรก็ผู้นั้นถึงบรรคผลนิพพานไม่ได้ใช่ไหมต้องติดตามกันไปเรื่้ยๆใช่นั่นแหละนั่นแหละถ้าพูดให้ถูกที่สุดต้องเป็นอย่างนี้จะจะไม่ต้องเถียงกันแล้วใช่ไหมมัณถูกแค่นั้นแหละใครจะว่าเป็นสมถทักษ์ก็เอาใครจะว่าเป็นวิปัสสนาก็ตัวถูกแค่นั้นอะไม่มีผิดเลยปวามาริงแล้วเราปฏิบัติมันก็แยกกันไม่ได้ครับใช่มันเหมือนกับเราจะแยกไอ้ฟ้ามร้อนออกจากไฟเนี่ยมันแยกไม่ได้ใช่ไหมใช่นี่มันเป็นเป็นอย่างนี้แหละมันอยู่ด้วยกัน พระอุปมาเหมือนอย่างนี้ถา้ า, าอุปมาเหมือนกับถ้านโบราณท่านอุปมาเหมือนเจ้าคุณพรนาเคยเล่าให้ฟังคุณมาหามันเหมือนอย่างนี้ตระหนักนั้นนะท่าเราไปแจงปลามานลยนะเนล้แจงปลามาแล้วในน้ําแกงนั้นน่ะท่านบอกว่าเนื้อปลามันก็มีแล้วก็มันาวก็มีพริกก็มีเกลือก็มีน้ําปลาก็มีฮ้ยหรือหรพริกก็มีนะครับผมน้ําตาลก็มี เวลอาช้อนตักน้ำมาสักช้อนหนึ่งเอามาเข้าปากแล้วคุณมหาเวลามันเปรี้ยวรู้ไหมรู้เค็มรู้ไหมรู้แล้วเวลาหวานรู้ไหมรู้มันรู้ไม่รู้เออฉันใดก็ฉันนั้นเลยให้คุณมหาแยกออกมาดูสิไอ้มันมันอยู่ตรงไหนเค็มมันอยู่ตรงไหนเปรี้ยวมันอยู่ตรงไหนหวานอยู่ไงมันน้ำแกงมันรู้ว่าหมดแล้วนี่ถ้าเรารู้มันรสเปรี้ยวนั่นคือมันนาวเผ็ดนั่นคือพริกจค็มนั่นคือเกลือหวานนั่นคือน้ำตาลมันนั่นคือปลา เราบอกได้อย่างนี้สภาวะแต่ว่าเราหยิบมาให้ดูไม่ได้พระมันติดกันหมดแล้วมันอยู่ด้วยกันช้อนเดียวเข้าป่าวป๊มันมีหมดทั้งห้าหกรสนั่นแหละอันนี้เหมือนกันพอป๊บมันก็ถึงวันหมดเลยพะาเใช่ทิ้งกันไม่ออกเพราะฉะนั้นจะไปเถียงกันให้เสียเวลาเลยเพราะเราไม่มีเวลาเถียงกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ทำความเข้ากใจเสียอย่างนี้มก็หมดปัญหาทําหนดปองน้อมหน่อถูกทั้งสมถะทั้งดิปพตนาหมดเลย พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ชมตำหนินะในสมาธิสูตในพระไตรปิฎกเขาได้ว่าไปใช่พิสูจทั้งหลายจงเจริญสมาธิผู้ที่มีจิตตั้งมั่นแล้วอมรู้เห็นได้จริงท่าพระสมาัยโตพิกวิยถทาผูดตังประชานติอพิสูจน์ทั้งหลายผู้เธอจงสมาธิผู้มีจิตเป็นสมาธิใจตั้งมั่นอย่างทราบั้งคนเป็นจริงครับอันนี้เป็นพุทธพจน์เลยใช่ใช่ใช่าไม่ใช่พระเทราพระเทลีว่าด้วยเป็นพุทธพจน์เลยนะครับ ก็ผมเอาละอันนี้ก็เวลาก็เข้าใจแล้วนะครับ <ạ. S 1> เวลาก็มันมีจับ ก, กัดไปครับก็ผมก็ไปซักต่อไปแล้วครับก็หวังว่าการสอนยุชนคงจะเข้าใจ<ม>ก็จะได้ถามปัญหาข้อต่อไปนะครับ้ปัญหาข้อต่อไปคือปัญหาข้อที่สามอภรรย์ยุกเขาว่าเขาเรียนตั้งสามปีรูปนามก็ไม่ได้สสไเขาว่าสามปีหรือสามปีเนี่ยสามปีครับผมอ๋อ ตั้งสามปี ป, มปีะนะต่อไปรูปนามก็ไม่ได้ฮ่าอัอนนี้เหรอเทานี้เลยครับผมข้อหมายกองไงอไ่ะหมายกองตองยุบเขาเรียนอ่าเขาว่าเขาเรียนตั้งสามปีหมายถึงเขาปฏิบัติตั้งสามปีเนี่ยรูปนามก็ไม่ได้เ <laughs> ขาไม่เรียนรูปนามนะโ อ, อ, อ้ยทําไมจึงเป็นอย่างนั้นน้อเออสแสดงว่าไม่เข้าใจรูปนามนะเห็นแต่ไม่รู้กัมั้งนะเอา้าอยากจะรู้รูปนาม ทีนี้ก็มีปัญหาว่ารูปนามมันเป็นยังไงมันเป็นตัวยังไงแต่คนไม่เข้าใจรูปนามก็หาไม่เห็นนิยมนะอัตมาเขาคงเหมือนโยมคนนี้นะเวลาเวลาเรียนผมไปเข้ากรรมาฐานอยู่เจ้าคุณภาวนาพิรามมาเถียนท่านสอนผมก็เดินอยู่กลมก้าวเนาะก้าวเนาะก้าวเนอโอ้ยเดินหนึ่งสิบหกสิบเกียวันเลยยังไม่เห็นรูปนามอาจารย์รูปนามเป็นยังไงครับ ผนมาหามันจะหายรึไปที่ส้นเท้านะที่ปลายเท้าหรือสีส้นเท้านั่นหละ เ, ลเอ๊ผมนึกว่ารูปนามเหมือนแมวนี่ฮะฮะหรือเหมือนหนูนี่นะคล้ายๆมันพอยกเท้าปุ๊บมันจะวิ่งพุบออกมาคล้ายๆอย่างนั้นนะเอ๊มันมีตัวนต่างหากอยู่ในตัวของเรานี่เนะนี่ยเนี่ยคขามเข้าใจอย่างนั้นอันนี้เราก้าวระโยกแล้วนะในปฏิบัติยังนึกอย่างนั้นเหมือนกันเบื้องแรกแต่ว่าที่จริงนะเห็นใจคําว่ารูปนามเนี่ยมันไม่ใช่อื่นไกลแล้วมันเส้นผมบังพวกเขา่าท้องทอง ก็เป็นรูปท้องยุบก็เป็นรูปนั่นมันก็อยู่ที่นี้วของเราจังนั้นแหละและหมดทั้งล่างมันเป็นรูปใช่ไหมท้องพองเป็นรูปหรือเป็นนามครับต้กผมท้องยุบล่ะเหมือนนครับผมใจที่รู้ว่าพองหอเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นนามครับแลวตากับสีล่ะตากับสีก็เป็นรูปครับผมเห็นน่ะเห็นเป็นนามหูกับเสียงเป็นรูปครับยินเป็นนามครับมจมูกกกลิ่นต้ครับผมจมูกเป็นนามครับกับรถเป็นรูปครับรูร เป็นนามกายทั้งหมดเปรือครับผมสะบองชีวรัเปรือเสื้อผ้ารูครับผมผูกตัวเรามันเย็นร้อนหนอนแข็งรูปใครรูปนารู้ครับผมเออแล้วนั่งอยู่นี่ตรงไหนเป็นรูปคนจานนั่งอยู่เนี่ยทั้งหมดตัวเขาตั้งโดยผมถึงเล็บใช่ไหมตรงไหนเป็นนามตัวที่รู้เลยครับผมใจที่รู้เป็นนามใช่ไหมรูปที่โยมเอ้ยพูกนามมันไม่ใช่อื่นนะต้องดูให้ดีตรงไหนมันเป็น ทองพองยุกคนเป็นรูปหมดไม่มีเหลือเลยตั้งแต่ผมถึงเล็บมันเป็นรูปใจมันก็เป็นนามทุกคนก็มีเท่านี้แหละแลเดินนั่งอยู่นี้ใครนั่งครับรูปนั่งครับใครเป็นคนรู้นามรู้กับผมเออพูดนี่ใครพูดเราพูดกับใครรู้นามราฉันข้าวใครฉันรูปใครรู้นามนอนใครนอนรูปใครรู้นามเออไปถ่ายอุจจระปัวะคครถ่าย รูปครับผมใครรูปน้ำอาบน้ําใครอาบรูปใครรูปน้ำครับเออมันก็ไม่ยากเห็นไหมรูปน้ำอ่ะมันก็ตัวของคนทุกคนเป็นบทดต้งรุ่นเลยใช่ไหมครับเออถ้าไม่ต้องไปเรียนทั้งสามปีเนาะมัยังไงกันยังไงในชาติเยวเรียนสามปียังไม่รู้เนี่ยก็แย่สินะเออมันก็มีอยู่ทุกอินยาบทเลยครับเออเน้น้อยสมัยพระพุทธเจ้านะเน้นสมณะนะสมณะสมเนนพวกคนผมเสร็จเป็นพระรหันต์แล้วไปเรียนมาจากไหนเนาะฮะ คนผมเสร็จเป็นพรหันแล้วดสูสิโสปา ะ, ะสมมาเนนสมณะสัมมเนนเนนบางองค์พบโคนผมไปสําเร็จไปสําเร็จไปเสร็จปั๊บเป็นพระรหันเลยดยูไปนั้นท่านไม่ต้องไปเรียนจากไหนหน่ะนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ารูป ก, กับนามนี้ก็คือกายกับใจอันนี้มันตําราแต่ผู้ปฏิบัติเห็นจะเข้าใจแจ่มแจ้งก็ดีแล้วละสามปียังไม่เห็นบางคนวังนั้นเพราะว่าสามปีก็ไม่ได้ ไม่ได้ก็คือไม่เห็นไม่เห็นโลกเห็นนามมานนะครับผมอืมแล้วสิ่งนี้ครับอดีแล้วล่ะเอาล่ะมีหมดหรือยังปัญหากีข้อหนึ่งข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งว่าผมมีความเห็นว่าคนเราตายวิญญาณใหม่เกิดไม่ใช่วิญญาณเก่าแต่วิญญาณเก่าเนี่ยเป็นปัจจัยวิญญาณเก่าเป็นปัจจัยให้วิญญาณใหม่เกิดบุญและบาปนําไปเกิดขอให้อธิบายด้วยเพราะว่าอย่างนี้เลยครับผมอ้าวจโครูอธิบายหน่อยสิ อธิบายให้ฟังหน่น <c oughs> น <ะ S 2> อยอ่อประเด็นทุกคนอธิบายนะฮะปัญหานี่ก็ถูกแล้วแหละที่ถามว่าวิญญาณวิญญาณเก่าไม่ไปมันดับแล้วนะหมดไปแล้วใช่ไหมครับผมแต่ปฏิสนธิวิญญาณดวงใหม่มันมีรับต่อไปอีกฮะแล้วรับกันไปยังเนี่ยวิญญาณเก่าไม่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นแหละปฏิสนธิวิญญาณสิบเก้าดวงนําปฏิสนธิใช่ไหมครับผมดวงแรกมันนั่นมามันก็หมดไปแ ล, แล้วเราทําบุญทีนี้มันเป็นกุศลนรงนี้มันก็หมดแล้วกุศล ขู่สนมหาขู่สนะอ่าพอเป็นผลก็เรียกว่ามหาวิวาแม่มันก็ตายไปแล้วขุศสนน่ะมันก็เกิดมาวิวากขึ้นมาแล้วในหางวากดวงที่หนึ่งอ่ามันดับลงไปแล้วประเดี๋ยวมันก็เกิดต่อไปอีกสฏิคับตอบว่าวิญญาณเก่าไม่ไปวิญญาณใหม่ไปเกิดถูกไหมปฏิสนธิวิญญาณเน่ยจะว่าเก่าก็ไม่ใช่ใหม่ก็ไม่เชิงแต่มันก็จากอันเก่านั่นแหละเป็นปัจจัยต่อกันใช่ไหมครับผมอันญ่มันยัปัจจัยใช่ไหม ครับผมันมันเปปัจจัยครับมันก็กแล้วปัจจัยให้เกิดใหม่อ่ามันถูกแล้วนี่นะแต่ไม่ใช่ดวงเก่าเกิดขึ้นอะไรแต่ก็ไม่ใช่ดวงเก่าครับผมไม่ใช่ดวงเก่าอืมทีนี้บุญบาปนําไปเกิดเพราะอย่างนี้ใช่ไมเันปบุญบาปไปใช่ไปบุญก็นําไปบาปก็นําไปแบบอะไรชลกกรรมใช่ไหมอ่าใช่อันนั้นมันจำสมมวลผสมแต่นําปฏิสนธินั้นว่าถึงดวงกิดแต่ว่าถึงบุญและบาปมันก็อาศัยกิดนั่นแหละ บุญกับบาปมันอยู่ที่กิจใช่ไหมน่ะทายกิจเราทําบุญมันก็ปฏิสนธิมันก็เป็นดีแต่ผู้ไปปฏิสนธิจริง่คือคือกิจกิจตรงนั้นนําไปปฏิสนธิแจวเข้าไปด้วยอำนาจบุญไปด้วยอนาจบุญไปด้วยอนาจบาปบอืมมันสั่ง<า>สมบุญไว้บุญกับบาปไป ม, มหาภูสัก็ <นะ S 1> เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดมหาอุบาสิก็ถูกโยบิดหลอกที่กล่าวมานี้นะพพอไปได้นะ กาเป็นมาหมดแล้วทีวผมเวลาก็หมดแล้วอาละญาติโยมผู้ใจบุ่นทาลายปัญหาของโยมนี่ก็ขอขอบใจอุสาเดินธรรมาจาักน้นจางจังหวัดนุนมา น, นอนพักถามปัญหาสามสี่ข้อนี่ก็ขอบใจโยมนะญาติโยมผู้ใจบุ่นทาลายบัตรนี้การไขปัญหาสมควรจัการเวลาแล้วอัตมาภาพสังสองได้ไขมาสิ่งละอันพละน้อยถ้าขาดตกปุก ป, ป้องก็ขอขอภยัยแต่เป็นประโยชน์ก็ขอให้โยมไดุ้ลได้กุศลได้เรีความรู้ด้วย ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณบัณีรัตน์ไตรอติไยบุญเกศขอท่านผู้ใจบุญทลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกภยัยเจริญในอายุวันนะสุขปรทปฏิพนันธธรรมสารสมบัติตลอการเป็นนิดด้วยกันทุกท่านเทิน